ครั้งก่อนนี่เขาคนในประเทศแขกออกไปเท่าไรส่สิกว่าคนใช่ไว่าเอาเข้ามาค้าขายมาทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะ อ, อยากกลับมาอีกนะไปแล้วไปเลยแบบนง้เป็นต้นคราวนี้ขนาดว่าปกครองแบบอะไรนะแบบสภาแบบนี้ก็ยังมีอํานาจสั่งแบบนั้นออกไปทําไมกับแบบพระราชาหมากริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมจะทําอย่างนั้นไม่ได้อาคีเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะข้อที่ท่านพูดยืนยันแต่แรกว่าไง รูปเป็นอัตราของท่านใช่ไหมถ้างั้นนะอำนาจของท่านก็ต้องเป็นไปในรูปของท่านว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอา้าวเมื่อท่านมีอำนาจในรูปถ้าอาตาัตราใช่ใช่ถ้ารูปเป็นอัตราจริงท่านก็ต้องมีอำนาจในรูปสิ เพราะฉะนั้นท่านต้องมีอำนาจสั่งรูปแบบขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอ้าวแล้วทาไมท่านไม่หล่อเหมือนกับพวกกษรรธธัตริย์ฤาษีพวกนี้ล่ะทำไมท่านเนี่ยพุงพลุยทาไมหน้าตาอไม่ดูไม่งามเลยทำไมท่านไม่หล่อแบบคนอื่นเขาอะ่ะถ้าหากว่าบอกว่ารูปเป็นอัตตาของท่านและท่านมีอำนาจเหนือรูปท่านต้องสั่งรูปได้สิ อย่าปวดหัวอย่าตัวร้อนอย่าเป็นไข้อย่าเป็นหวัดให้กินอิ่มนอนหลับสุขภาพหุน่นพอดีที่ตัวเองต้องการเป็นต้นต้องมีอำนาจสั่งได้สิใช่หมถ้าหากว่ารูปเป็นอัตตาจริงมันก็ต้องสั่งรูปได้ทีนี้เขาบอกว่าคือคือเขาบอกว่าอะไรนะดูก่อนอคิเวสนะถ้าบอกถ้าท่านบอกว่ารูปเป็นอัตตา ท่านเนี่ยจะต้องเป็นท่านจะต้องมีอำนาจในรูปเรียกว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะถ้าท่านยืนยันว่ารูปเป็นอัตตาจริงมันต้องทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมเงียบอย่างเดียวเลยนะอ่าสัจการนิครณเนี่ยเงียบเลยเพอเงียบเสร็จเนี่ยเขาว่าไงเมื่อพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้สัจการนิครณก็นิ่งพระองค์ก็ถามเป็นครั้งที่สองว่าอาคีเวสนะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะ ข้อที่ท่านพูดว่ า, ารูปเป็นอัตตาของเราอำนาจของท่านนั้นสามารถเป็นไปในรูปอย่างนี้ว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเงียบเพราะตัวนี้เข้าแปลว่าเข้าทางพระพุทธเจ้าอะไรนะงานนี้แพ้ศึกแล้วเนี่ยนะแ ย, ย่แน่นะเงียบเลยนะวิธีแก้ปัญหาอะไรเงียบแต่ถ้าเราเงียบสักคนยังใครจะทําอะไรเราได้ใช่ไหมอมภูมิหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปแปลงฟันทีหลังก็เห็นเป็นได้นะนะก็อมๆไปก่อนเงียบๆไปก่อนแล้ว ก, กันเหมือนกัน ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัส ก, กับสัจจการนิครนเกว่าดูก่อนอคิเวสนะกาละบัตนี้ท่านจงแก้เวลานี้มันเวลาโต้ตอบไม่ใช่เวลานิ่งอคิเวสนะผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบกิเหตแล้วถึงสามครั้งถ้าไม่ตอบปัญหาหัวของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเวลานี้เวลาพูดคุยกันไม่ใช่เวลาเงียบไม่ใช่เวลานิ่งเนี่ยนะเราจะถามเนี่ยถามมาแล้วสองครั้งนะ ถ้าถามครั้งที่สามแนละ้วท่านไม่ตอบหัวท่านแตกสมัยนั้นท้าวัชระปานีส ก, กะเทวราชเนี่ยนะท้าวส ก, กะถือกระบองเพชรเนี่ยนะกระบองเพชรไฟลุกเป็นโพรงลอยอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจจการนิครนประกาศว่าถ้าสัจจการนิครนอันพระพุทธเจ้าตรัสถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งก็ไม่แก้เราจะผ่ศาศีรษะของสัจจการนิครเนี่ยนะ เจ็ดเสียงมะที่นี้แหละเนี่ยนะเขเหาะแกว่งแกว่งตะบองมาแล้วยืนอยู่บนอากาศเนี่ยน ะ, ะท้าวชิระปานีส ก, กะเทวราชพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับสัจจการนิครนเท่านั้นที่เห็นอยู่พระพุทธเจ้ากับสัจการนิครนสองท่านเท่านั้นที่เห็นเห็นเท้าสกตะถือกระบองอยู่ในอากาศเตรียมจะหวดสัจการนิครนเนี่ยนะสัจการนิครนก็เลยตกใจกลัวขนลุกชูชัน สแสวงหาพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์เป็นที่ต้านทานป้องกันภัยให้ด้วยเถอดทูลว่าพระโคโดมทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะแ ก, ก้นเนี่ยงานนี้เย่ยนเน่ยที่จริงอัตกะทาท่านอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าคือในหน้าหนึ่งร้อยเนี่ยนะหน้าหนึ่งร้อยกลางหน้าที่ที่บอกว่าทำไมเท้าส ก, กะจะต้องถือกระบองเนี่ยนะเหาะลงมาเพื่อที่จะ จะตีหัวของสัจการนิครนเนี่ยเพราะอะไรนัรกธาถามว่าเพราะเหตุไรยักษ์จึงมาตอบว่าเพื่อจะให้นิครนตอบความเห็นว่าเพระเป็นการโต้ตอบลัทธิอีกอย่างหนึ่งเท้าสักกะกับเท้าหมหาพรหมเนี่ยเคยเสด็จมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่พระองค์ขวนขวายน้อยแรกตรัสรู้เนี่ยในพระองค์น้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมใช่ไห เพราะฉะนั้นท้าวสกกะมาราธนาว่าให้พระองค์แสดงธรรมเพราะคนที่รู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยมีอยู่ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมเธออาณาจักรไม่เป็นไปในอำนาจของพระองค์อาณาจักรเป็นเรื่องของข้าพระองค์ธรรมาจักรเป็นเรื่องของพระองค์เนี่ยนะเรื่องอำนาจเรื่องการปกครองปล่อยให้ข้าพระองค์จัดการท้าวสกกระว่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมาจักรในการเผยแผ่พระธรรมเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถามสองครั้งแล้วเนี่ยนะ ทำท่าจะถามครั้งที่สามแล้วก็ยังไม่ตอบไม่มีวี่แววจะตอบก็เลยถือกระบองมาเลยเขาบอกว่าสองคนเท่านั้นที่เห็นคือพระพุทธเจ้ากับสัจจการนิครนเห็นเพราะสัจจการนิครนเนี่ยนะเห็นยักษ์เหงื่อก็ไหลทั่วตัวภายในท้องก็ปั่นป่วนเนี่ยเครียดขึ้นมากระทันหันเลยเนี่ยนะใครเคยเคียดกระทันหันท้องปั่นป่วนเลยไหมท้องเสียกระทันหันขึ้นมาเลยเนี่ยนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนอื่นเห็นหรือเปล่าเนาะ อ้ทุกคนเงียบหมดเลยเนี่ยเขานั่งปกติกันหมดเนี่ยนะอนนันัเพราะฉะนั้นเราความกลัวนี่เกิดขึ้นแก่เราถ้าเราจะบอกว่ายักษ์ทุกคนก็จะพูดว่าตาท่านพวกท่านเนี่ยท่านคนเดียวหรือมีตาท่านคนเดียวเท่านั้นที่เห็นยักษ์ส่วนพวกเราไม่เห็นยักษ์ที่จริงเนี่ยตอบปัญหาไม่ได้ก็แกล้งอ้างว่าผีมาผีหลอกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยสาคัญว่าที่นี้ คือคิดแล้วเนี่ยนะว่าถ้าไปปกติใช่ไหมถ้าปกติทุกคนเห็นยักษ์เนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าอ่าสัจการนิครนไม่ตอบคำถามอ่าสัจการนิครนไม่ตอบคําถามเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเห็นยักษ์เหมือนกันหมดก็จะพูดว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้ า, าจะแพ้แล้วงานนี้ไหนเอายักษ์มาเป็นคู่ต่อสู้ด้วยเอายักษ์มาช่วย อ่นนะายมนเรียกยักษ์มาช่วยแต่นี้ไม่มีใครมองเห็นยักษ์เลยเราจะอ้างว่ายักษ์ก็ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นก็จะว่าท่านมีตาอยู่คนเดียวหรือถ้าเราจะไม่ตอบยักษ์ก็ตีหัวตายเนี่ยเอ้าไงดีกันเนี่ยก็เลยไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งให้เราแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถาม่ะเพราะฉะนั้นในในข้อแปดเอดอในหน้าแปดบอ็ดเนี่ยนะ ท, ที่มันตกหายไปเนี่ยอ่าก็บอกว่าจงถามเธอพระโคโดมถามเธอเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแก้แหละพระองค์ก็ถามว่าอคีเวสณนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านพูดอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราดังนี้อํานาจของท่านไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยหรือดังนี้ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะนี่ย น, นะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอคิเวสนะท่านทําในใจไว้ก่อนแล้วค่อยตอบคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยตอบก็ได้นะเพราะคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ต่ อ, อ ก, กันเลยคําหลังก็ไม่เหมือนคําก่อนคําก่อนก็ไม่เหมือนคําหลังท่านบอกว่ารูปเป็นอัตต า, านะเราเนี่ยรูปเป็นอัตตาของเราเสร็จแล้วบอกว่าท่านไม่มีอํานาจในรูปซึ่งรูปอันนั้นเป็นอัตตาพอถามเข้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเออรูปไม่เป็นรูป ไม่เป็นอัตตาแนละ้วไม่มีอำนาจในรูปคำพูดของท่านตอนแรกท่านบอกว่ารูปเป็นอัตตาเพราะทุกคนมีรูปเป็นอัตตานี่แหละจึงทําบุญทําบาปเสวยผลบุญผ ล, ผลบาปมาบัดนี้ก็บอกว่าอา้าวไม่เป็นไม่มีอำนาจอะไรในรูปคำก่อนกับคำหลังท่านพูดไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหมนกนก็บอกว่าในนี้ก็บอกว่าหมองูผู้ฉลาดแต่ว่าท คนหนึ่งคนที่ถูกงูกัดในนะัโบราณนี่เขามีวิธีรักษาถอนพิษงูอย่างเงี้ยถ้างูกัดคนใดหมองูจะเรียกงูตัวนั้นมาแล้วให้งูเนี่ยดูดเข้าไปกัดใหม่เพื่อจะดูดพิษถอนพิษคืนเขาว่างเงินนะวางนงินวิธีถอนพิษแบบโบราณฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนแรกนิครณอสัจการนิครณก็บอกว่ารูปเป็นอัตตาพราะถ้ารูปเป็นอตัตอาก็แสดงว่ารูปเที่ยงเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกให้ สัจการนิครนเนี่ยเป็นคนพูดเองว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ว่าสุดยอดของนักพูดเนี่ยก็เอาไอ้คนที่ปฏิเสธไม่ให้พูดนเองเ่มือกันให้ยืนยันเองเ่มืกันก็เลยบอกอ้าวคิดให้ดีก่อนนะค่อยตอบเนี่ยที่จริงนะถ้าไม่ตอบหัวแตกนะเพราะตอบปั๊บเนี่ยมันเข้าทางไนงะต่อไปข้อ398อเนี่ยนะเอ่อ ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนข้อที่ท่านพูดว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีทิฏฐิอย่างนี้นะอํานาจของท่านเป็นไปในเวทนาคือท่านมีอํานาจในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านมีอํานาจอย่างนั้นจริงๆหรือ ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระสมณะโคโดมตอนแรกบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาของเราใช่ไหมตอนหลังบอกว่าตัวเองไม่มีอํานาจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์ก็เลยว่าอาคกิเวชนะท่านจงทําไว้ในใจเสียก่อนแล้วค่อยกล่าวเก๊คิดให้ดีก่อนแล้วค่อยตอบก็ได้นะคําหลังของท่านไม่ต่อกับคําก่อนคําก่อนก็ไม่ต่อกับคําหลังอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นอนัตตานะคือสรุปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็น อัตตาเลยใช่ไหมก็สรุปว่ามันเป็นอนัตตาเนื่องจากว่าไม่มีตนเนี่ยไม่มีอำนาจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักเป็นอัตตาแล้วไซรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมมีญญอำนาจตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้นเถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยขอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย s <S ก็เพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานั่นแหละจึงไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จ no ริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าขอรูปของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แล้วก็อันนี้อ น, นัตแก้แก้อัตตาไปแล้วใช่ไหมต่อไปแก้นิจจังกสุ ข, ขังต่อไปว่าอกิเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคโดมเนี่ยนะตอนแรกก็บอกว่ามันเที่ยงเนี่ยอ้าวถ้าถ้าคือคือตรงนี้ก็บอกว่าถ้าอัตตาเป็นผู้ทํากรรม แล้วอัตตาเป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมถ้ารูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นผู้ทำกรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาที่ผู้เสวยผลของกรรมแสดงว่าตัวกรรมก็เที่ยงตัวตัวที่ทำกรรมก็เที่ยงจึงไปรอรับผลของกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงพระโคโดมนะ ขัดกันเองเนะพูดลท้ที่แรกเลยก็อยู่บนหลักการของตัวเองอนะแต่จริงๆคนเนี่ยนะถ้าได้เหตุผลอันสมควรมันก็เปลี่ยนใจกันหมดนะขอให้ได้เหตุผลที่ถูกต้องเถอะว่างั้นนะสะรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระโคดมก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราด้วยตัณหาเราเป็นนั้นด้วยมานะ นั่นอัตตาของเราด้วยมิจฉาทิฐิท่านจะเจริญตัณหามาณทิฐิสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอะ่ะอย่างเนี้ยสมควรไหมไม่สมควรเลยพระโคโดมอคีเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะผู้ใดติดอยู่ในทุกด้วยตัณหามาณทิธฐิคือขันธ์ห้านี่นะติดในขันธ์ห้าด้วยตัณหามาณทิฐิเข้าถึงทุกคือขันธ์ห้า ด้วยตัณหามา n a titti ยินดีในทุกคือขันห้าด้วยมา n ะทิ t t i ตามเห็นทุกคือขันห้าด้วยตัณหามา n ะทิ t t i ว่าสิ่งนั้นเป็นเราเราเป็นส่วนนั้นนั้นเป็นอัตตาของเราคือติดในขันห้าถึงขันห้ายินดีในขันห้าตามเห็นขันห้าเหล่านั้นแหละว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราผู้นั้นจะกําหนดรู้ทุกคือขันห้าด้วยอันนี้จังทุกขังอัตตาหรือจะทําทุกขให้สิ้นไปเนี่ยได้บ้างหรือหนอ กลืนกินขันห้าเบ็ดเสร็จยินดีว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราจะรอบรู้กองทุกทำตัวเองให้พ้นทุกอะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะเหตุไรเป็นไปไม่ได้หรอกข้อนี้ไม่มีอย่างนั้นหรอกโคดมอาคีเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านนั่นแหละติดในทุกคือขันห้าด้วยตัมหา ม, มาณทิฐิ ท่านนี่แหละเข้าถึงทุกข์คือขันห้าท่านนี่แหละยินดีในทุกข์คือขันห้าท่านตามเห็นทุกข์คือขันห้าว่านั้นเป็นเรานั้นเป็นของเรานั้นเป็นอัตตาของเราไม่ใช่หรือโอ้ยจะไม่มีอย่างนั้นเพราะเหตุายมันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะะยอมรับอ่อยเราบอกว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตัวเองเนี่ย ติดในขันห้าคือทุกข์ในคือขันห้าเข้าถึงขันห้ายินดีในขันห้าเห็นขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราตัวเองไม่มีความสามารถที่จะกําหนดรู้ขันห้าไม่สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้มันเป็นอย่างนี้เลยพระโคโดมสรุปว่าตัวเองในเฝ้าวะตะนะัตตาใช่ัหมเป็นทุกข์มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเข้าถึงทุกข์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะก็บอกว่า ถ้าจากคำถามคำตอบเนี่ยนะวิสัยของเนี่ยถ้าคนที่ไม่รอบรู้ในอุปาทานขันห้ระดับหนึ่งก็ยากที่จะแก้ลัที่ของสัจจการนิครณส่วนแก้ลัที่เนี่ยนะมันไม่ได้จบอยู่แค่เนี้ยน ะ, ะรายละเอียดการแก้ลัที่สัจจการนิครณเนี่ยนะก็ยังมีต่ออีกในตอนบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ